ح َ ه م ا فتخذ سبيله في البحر سرابا فلم ا جاوز قال لفات آ ت ن ا غدا ق َาได้แِกَยนาไม่ซาَาَ ا นาฮาจ ا นัซบ ن บิสมَลลาฮิ ррахман ррахиим อินนั م ฮะมดลิลล ه و ن س ت ع ي ن ุ و ن س ت غ ف ر و ن ع و ذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا ไม่ยั ه งด ل a فلا مضلله وما يضلل فلا ه ا ه د ي له أشهد أن لا إله إلا a l l ه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله a ل l a h بِكَأَصْبَحْنَا و َ ب ِ ك َ أ َ م ْ س َ ن َ وب ا وَبِكَنَحْيَا وَبِكَنَامُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ ل ل l a أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك و و ع د ك, ك م س ت ط ع ت ه أبوؤلك ب ن ع م ت ك ع ل ي و أ ب و بذنبي فغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من شر ما صنعت سلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนามาสซุปทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละขอบคุณนบีละสุบฮานะฮุวาตาละที่ Allah ให้เรา <c oughs> มีชีวิตอยู่แล้วผ่านวันอิดุลอับฮาแลวก็ <c oughs> ได้ทานเนื้อกุรบาล น, นะครับ <c oughs> เพื่อให้อิมานของเรานั่นเพิ่มพูนขึ้น <c oughs> ขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาลาที่อัลลอฮ์ให้เราตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้นอนหลับไปเราก็ละอาบทแรกที่เราอ่านกันทุกคนน่ะแหละครับพี่น้องดะอาบนบนที่นอนนะนะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอัลฮยานาบะดามาอามาตานาวะอิลัยฮินูชูร์นบีสอนให้ สอบากอานสอบากก็อ่านวันนี้เราอยู่ในาศาสนาที่อัลลอ์ได้ประทานให้ผ่านนบีมุมั m เราก็ใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้ตรงกับชีวิตของท่านนบีมุม a ส, ส ล, ลลลฮุซล ล, ลลัมขอบคุณอัลลอฮ์นะที่เราได้ทบทวนอัลกุรอานนะครับวันนี้มาถึงสุรลัที่ส8บแปดแล้วสุลลั อัลกัฟีนะครับอายะที่แล้วเนี่ยนะครับขอทวนนิดนึงอายะที่ห้าสิบเจ็ดอัลลอฮ์ได้กล่าวบอกว่าวามันอัลซุลามุมมิมันซุกกีรอบิอายะติรอ บ, บิฮีแปลว่าใครเล่าจะเป็นผู้ที่อาธรรมยิ่ง ไปกว่าผู้ที่ถูกเตือนให้รำลึกคนที่ถูกเตือนให้รำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยนะแล้วก็เมื่อถูกเตือนแล้วเนี่ยไม่รับถูกเตือนแล้วไม่รับเนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษนะ5้าห้ารายการเตือนแล้วบอกแล้ว เหมือนกับคนในยุคก่อนๆเนี่ยอัลลอฮ์เตือนแล้วบอกแล้วการเตือนของอัลลอ์ก็คือส่งนบีมาการเตือนที่ดีที่สุดก็คือส่งนบีมาวันนี้เราก็มีนบีมาหาเราแ ล, แล้วคือนบีมุฮัมมัดแล้วก็มีอัลกุรอานในอยู่ข้างหน้าเราเรา ย, ยังมีอีกสุนนะนบีอยู่ในฮะดิษกองอิมาบุคารีมุสลิมนะครับ อย่างน้อยหะดิษห้าเล่มหกเล่มเนี่ยน่าจะเป็นเป็นสุนนะของท่านนาบีท่า น, นคนที่จะรู้สุนนะนบีต้องเรียนวิชาฮะดิษเพราะว่าฮะดีษเนี่ยเป็นอาซาสุสุนนะเป็นรากแก้วหรือเป็นที่มาของสุนนะถ้าไม่เรียนไม่ไม่อ่านฮะดิษเลยเนี่ยคือน้องเราไม่รู้ว่านาบีเนะี่ยปฏิบัติอะไรนบีพูดอะไรสัฮ า, าบานบีปฏิบัติยังไงเราไม่รู้ นะครับจะนั่นต้องอ่านฮะดีสนะเพราะอ่านแล้วก็กลัวนะครับคนที่เอาลอทรงนบีมาแล้วก็สรงคูร์านมาแล้วก็ไม่ได้รับข้อตักเตือนเนี่ยข้อที่หนึ่งอ้าเราบอกอันทาหันหลังให้ท่งมาแล้วแต่หันหลังให้มีเปล่าเยอะพวกเรานี่ที่เป็นแคกกันที่เเป็นมุสลิมเนี่ยนะ เอาอัลลอฮ์เป็นคนดีนนะเป็นคนดีอัลลอฮ์ไม่ทะเลาะกับคนไม่ด่าคนทำดีกับพ่อแม่ทำดีกับภรรยาตัวเองทำดีหมดแต่ไม่อีมานต่ออัลลอฮ์รักอัลลอฮ์มันกันรักนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาไม่ได้หาความรู้เพิ่มเติมใช่ไหมถ้าก็อ้าเราบอกอันฮ่ะอ่นหลังให้กับอัลกุรอานอันหลังให้กับาศาสนาเนะี่ย หันหลังให้กับอัลลอฮ์หันหลังให้กับซุนนะนบีนี่อัลลอฮ์ตำหนินะคนที่หันหลังให้กับคําสอนของอัลลอฮ์ที่ผ่านนบีมุฮัมมัด ม, มาเนี่ยแล้วก็ต่อมาข้อที่สองที่อัลลอฮ์ลงโทษก็คือฮวนนาซียามากอดามาธียาเดเขาลืมความชั่วที่มือของเขาได้ประกอบเอาไว้ เนี่ยถ้าไม่เอาศาสนาเนี่ยนะลืมหมดนนแหละถ้าเอาศาสนาปั๊บเนี่ยศาสนาเนี่ยจะสอนเราให้นึกถึงอดีตความชั่วในอดีตมีไหมที่ตัวเองทำมาเนี่ยมันนึกโอ้เยอะเลยเนี่ยอันนั่นก็ผิดตอนหนุมน่มๆอันนี้ก็ผิดอนี้ก็ผิดวันนี้เพราะศาสนานี่แหละทําให้เราเลิกเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงตัวเองให ม, ม่นะ อันทีนี้แต่หากว่าไม่เอาศาสนาสิมันก็นาสิยา ม, มากดดามดยาดาหูก็ลืมความชั่วที่มือของเขาได้ประกอบเอาไว้ข้อที่สามอินนาจ عل ัลนาอาลาปูลูบิหิมอาคินนตันไอยฟกหูอัลลอฮฺได้วางม่านอย่างกับม่านอย่างนี้วางไว้เนี่ยม่านวางเอาไว้การอะไรนะ บทหัวใจของพวกเขาไม่ให้เห็นสัจธรรมไม่ให้เห็นความดีตาใจบอดท่านคนนี่หันหลังให้ศาสนาเนี่ยใจบอดนี่สามเรื่องแล้วนะหนักทั้งหนักทั้งหมดเนะี่ยเรื่องที่สีวาฟีอาดาเนหิมวะกรรและที่หูของเขานะั้นนวดนัด นี่อ <weet Smash and cookies> ัลลอฮ์เล่าเองนะเล่าไปฟังว่าคนที่หันหลังให้กับอิสลามหันหลังให้กับอัลกุรอานหันหลังให้กับซุนนะนบีเนี่ยมีห้าข้อข้อที่หนึ่งก็หนักข้อที่สองก็หนักข้อที่สามก็หนักข้อที่สี่ที่หูของเขาหูหนวกข้อที่ห้าว่าอินตาดอุมอิลฮูเดฟลายยาตัดูอิลันอบบดาท่า ถ้าท่านจะเรียกหรือเชิญชวนพวกเขาพวกเขาก็จะมาอยู่ในทางนำประต่อต้านี่ก่นอนนี่ไงาบาปเผือเราเอาละประทานให้กับคนที่ไม่หันหันหลังให้กับศาสนาอิสลามอมเห็นอย่างหนักมากเลยเพูดกันห้าอ่านกุูอ่านแล้วเราเนี่ยใค้อ่านอายะนี่อ่าอนอ่ญญา น, อ น, อนทุกวันเนี่ยอ่านวันวละเที่ยเราก็นึกถึงความหมายของกันจะกลัวอืม อต่อมาวันนี้อายาที่เท่าไหร่นะห้ญญาสิบแปดอายาเนี้ต้องการจะบอกว่าก่อนที่อัลลอฮ์จะลงโทษนะนะอัลลอฮ์จะเมตตามนุษย์คนชั่วชั่วคนที่หันหลังให้กับศาสนาเนี่ยนะอย่ญญางกับคนในอดีตเนี่ยเห็นชัดหน่อยเพราะอัลลอฮ์เล่าในกัิกรลกุรอานอธิบายเช่นฟาโร ก่อนที่อัลลอฮ์จะเล่นงานฟาโร่เนี่ยอัลลอฮ์ทำไงอัลลอฮ์ส่งนบีมูซามาก่อนดังการส่งนบีมาคือคือถ้าก็ส่งอะไรนะส่งรักมามาส่งความดีมาฟาโร่เปลี่ยนแปลงซะนะก่อนที่อัลลอฮ์จะเล่นงานเน่ยเปลี่ยนแปลงซะเปลี่ยนแปลงตามใครดูตัวอย่างนาบีมูซาเป็นแบบเขาทํำยังไงเขาทำยังไงเขาทำยังไงเขาทายังไง และอัลลอฮ์ก็จะอภัยโทษในความผิดของคุณระหว่างที่อัลลอฮ์ส่งมูซามาเนี่ยในช่วงนั้นอัลลอฮ์ประวิงเวลาการลงโทษเอาไว้ฉะนั้นการประวิงเวลาไม่ลงโทษนะเขาเรียกว่าเป็นซุนนะตุลลอเป็นซุนนะของอัลลอฮ์เป็นแบบฉบับของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะไม่เล่นงานใครไวๆหรอกอย่างพวกเราวันนี้นะเป็นซุนนะตุลลอเลยนะอัลลอฮ์จะ ประวิงเวลาให้ส่วนส่วนบุคคลส่วนครอบครัวส่วนสังคมส่วนกลุม่มตลอดประวิงเวลาหมดนะ่ะคนที่ทําความชั่ววันนี้นะ่ะตลอดประวิงเวลาให้กับทุกคนที่ประวิงเวลาไวนะ้น่ะสองอย่างนะหนึ่งเพื่อให้เรียนรู้าศาสนาแล้วก็กลับเนื้อกับตัวสองประวิงเวลา ถ้าหากเขาไม่เรียนรู้ไม่เนื้อไมกลับเนื้อกับตัวนะเขาจะจะรับเป็นการสะสมบาปอาการประวิงเวลามีสองอย่างหนึ่งเป็นการสะสมบาปสองเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็กลับเนื้อกับตัวเป็นคนดีที่สองอย่างแต่ถ้าไม่เอานะนะก็สะสมบาปเรื่อยไปการรี่ว่าในภาษาอูรูกว่ามุขละการประวิงเวลาไม่รีบลงโทษคนที่ทาบาปเนี่ย เป็นซุนนะของอัลลอฮ์อัลลอ์จะไม่รุ่ยปงโทษบาวของพระองค์สักคนหนึ่งประวิงเวลาเอาไว้ทําผิด ก, ก็ทําไปเอาส่งตัวครูมาสอนมันเอาเอาเอาก่อมันจะถูกเล่นเล่นงานใช่ไหมถ้ามันกลับเนื้อ ก, กับตัวอัลลอฮ์อัลลอ์ไม่บังคับใครให้กลับเนื้อ ก, กับตัวนะไม่บังคับนะเปิดอิสระอ่าเขาเรียกว่า free thinking อ่ะอิสระ คุณจะคิดอะไรเรื่องของคุณฉันให้หลักการมาแล้วดีกับชั่วท่านคนชคนยายปัญญาชนะต่างหากที่จะได้รับทางนำจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ต่อมาครับ <S <S <ess> ว่ารบบูกะลอฟูรพระผู้อภิบาลของท่านของมุฮัมมัดเพ ร, ะระาะคุรานเนี่ยอลัลลอฮฺประทานให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดจึงบอกว่ารอบบูกะพระผู้อภิบาลของมุฮัมมัดของท่านเนี่ย มีลักษณะยังไงอัลลอฟูตผู้ทรงอภัยอัลลอฮฺสฟัตอัลลอฮเนี่ยสิฟัตอัลลอฮมีทั้งหมดเท่าไหร่นะ๙๐๙พระนาม๙๐๙ชื่อแต่ที่เราท่องกันมานี่ย๒๐ถูกป่าไม่ถูกมันก็ได้มาได้มาหน่อยนึงได้มา20 นใครไปเชื่อว่าสิฟัตอัลลอฮ์มียี่สิบน้ผิดนะาสิฟัดอัลลอฮ์มีทั้งหมดเท่าไหร่เก้าสิบเก้าพระนาม <c oughs> นาบีสอนอย่างงี้อินัลลอฮะตาลาติฮัดอิมังบุคารีดยนะอินัลลอฮะตาลาติสาจันวะติสาอินาอิสมันนามชื่อของอัลลอฮ์พระนามของอัลลอฮ์มีทั้งหมดเก้าสิบเก้าพระนามนี่นาบีสอนเองนะ ตน้ยฮะดอิมามบคีมันอซอฮใครที่ท่องหรือนับนับนับเ่นับนับ้องปากเปล่าเลยน่ะอัลล์อะไรอูรุนสัมีอุริอุมุสาวิรุลฮุลอัมาอุลฮุสนาุซบยอละูมาฟิซัมอเนี่ยคุรานมเยอะสิฟัดอัลลอฮ์ทั้งหมดอายะกุี อ l l ล h u la ilaha ล l l a h u al Hayy al Qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء و ما في الأرض م ن ز الذي ي س ิ ن อันทุกทั้งหมดในเป็นสิ่ศัิทอัลลอฮ์ทั้งหมดนบีพูดว่าใครที่ท่องจำได้ถึงนับสิ่ศัิทของอัลลอฮ์เนี่ยก้าสิ้าพระนามพร้อมกับรู้ความหมายพร้อมกับซึ่งความหมายเนี่ยนะ ดักว่าเดลจันนะไปสวรรค์อัลลอฮ์ปรากฏท่องสิฟัตดอัลลอฮ์ได้ไปสวรรค์แต่ต้องรู้ความหมายนะต้องรู้ความหมายทีนี้ขอยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่า ม, มูฮัมหมัดอะลีเคนเราก็ว่าโอ้เป็นนักมวยใจมั่นนะน่้นสิฟัต์เดียวนะ ม, มูฮัมหมัดอะลีเคนมีแค่สิฟัต์เดียวนะเป็นนักมวย เราเคยเห็นมันต่อยต่อยตุยตยต้มอ <c oughs> คนแพ้เลยนอกเลยเราเข้าใจอ่ะฉะนั้นเราพอเราเข้าใจสิทัตของอัลลอฮ์แบบเราเข้าใจว่ามูมัดอัลีเคลเนี่ยต่อยมวยต่อยอยังไงอัลลอฮ์เราโอ้มต่อยเก่งอ่ะเราเข้าใจเราลึกซึ้งอ่ะอ่าเราลึกซึ้งสิทัตของอัลลอฮ์แบบเราลึกซึ้งสิทัตของคนบางคนที่เราเห็นภาพบนดุนยานี้น่ะ นั่นแหละผลที่สุดก็คือได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาลาแต่ต้องปฏิบัติตามศีลปักนั้นด้วยน ะ, <c oughs> ะยกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งอัลลอฮทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยินเอาแค่สามพอนะทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยินเราจะนั่งตรงไหนก็ตามอยู่คนเดียวเราทรงรู้ทรงเห็นได้ยินกล้าทำผิดไหมไม่กลา้า เ, เงินวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยห้าล้านาฝากหน่อยอลัรรรรยลลนะอฮนะ์ทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยินไม่กล้าหยิบอมีผู้หญิงคนนั่งอยู่ด้วยกันในห้องอะทาดีนาก็ได้ทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยินมันก็ไม่กลา้านี่ถ้าเข้าใจสิทธิฝ่ของอลัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะเราจะไม่มีโอกาสได้เข้านะรกของอลัลลอฮ์ سبحانه และุ้อุ้อัลลอฮนั้น สิทธิ์ของอัลลอฮ์มีทั้งหมดเท่าไหร่นะมันจะยี่สิบนะเท่าไหร่เกาสิบมันอัฟโซฮาใครที่ท่องด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์หรือนับมันทุกวันวันละ99เที่ยวอัลลอฮ์พี่น้องครับด้วยความจันนะเขาได้ไปสวรรค์วารับบุกัลก่อฟูพระผูกอภิบาลของมุฮัมมัด ข้อที่หนึ่ง่อผู้รุนผู้ทรงอภัยข้อที่สองุ่รอห์มะผู้เป็นเจ้าแห่งความเมตตาอัลลอฮฺนี่ไงผู้เป็นเจ้าแห่งความเมตตาที่อัลลอฮเมตตาเบาของพระองค์เนี่ยที่ทำบาปที่ทำนูน่นทำนี่อัลลอบาปเต็มไปหมดนี้แต่อัลลอไม่รีบลงโทษนะเพราะอัลลอมีสิทธิ์ ซุลรห์มะซุลรห์มะแปลว่าผู้เป็นเจ้าแห่งความเมตตาอัลลอฮฺแท้กระเดาตรงนี้แหละอัลลมะฺเขา อ, อธิบายว่าอัลลอฮฺประวิงเวลาไม่รีบลงโทษบาวที่ทำความผิดบนโลกดุนยาใบนี้นะครับหนึ่งส่วนบุคคลส่วนครอบครัวส่วนสังคมส่วนหมู่บ้านส่วนประเทศ ที่ทําอะไรผิดๆเอาไว้นี่นะอัลลอฮ์ประวินเวลาเพราะฉะนั้นก่อนที่ ot, อัลลอฮ์จะลงโทษเนี่ยอัลลอฮ์จะส่งนบีมาก่อนอจะส่งนบีมาสอนถ้านบีไม่มีก็ส่งอะไรมานะส่งอุลลามาสอนอ้าถ้า mar mar อาุลามาไม่มีก็ส่งตัวครูธรรมดาธรรมดาน่ยมาสอนอ้าให้เขาเปลี่ยนแปงลงอ่ะอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นพระยาคุณดาจะมีโอกาสจะแต่งงานกับพระศีษ ส, สามีดีๆเนะี่ยดีไหมโลมาคุณ เหมือนอัลลอฮฺเมตานะจะให้เธอนไปสวรรค์แต่งงานกับสามีที่มีคุณธรรมมีศาสนาหรือผู้หญิงที่ดีๆแต่งงานกับผู้ชายดีอัลลอฮฺมันทำให้ตัวเองได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะจาลาอัตอมักับเราอยู่อาศัยรู้หบิมากะซาบูเราแปลว่าถ้า ถ้าหากอยู่อาคิดุหุมถ้าพระองค์จะทรงลงโทษเขาเหลาอยู่อาคิดุหุมถ้าอัลลอจะลงโทษเขาบีมากาซบูตามที่พวกเขาได้สะสมความชั่วเอาไว้ความชั่วไม่มีแต่สรุปแล้วเนี่ยสะสมความชั่วเอาไว้ถ้าอัลลอฮ์จะลงโทษเขาเพราะ พวกเขาได้สะสมความชั่วเอาไว้ลาอัจจาราหูมูลาจาบแน่นอนพระองค์ก็จะทรงเร่ง อ, อัจจาีาแปลว่าเร่งตาจีลแปลว่าเร่งอัลลอ์ก็จะทรงเร่งการลงโทษได้ทันทีนั่นอัลลอ์มีสิทธิ์เลยนะ่ะมีสิทธิ์ร้อยอร์เซ็นถ้าใครทำผิดเนี่ยนะ รีบลงโทษได้ไหมได้คุณอาเล่าแลว้วนะฉันจะลงโทษคุณทันทีทันใดก็ได้ถ้าท่นคนที่ทำศีนานะ่ะตายบนอกผู้หญิงได้ไหมไดก้กำลังกลังลักลักเนี่ยให้ไ ฟ, ไฟช็อตตายก็ได้ลงโทษได้ทั้งหมดนั่นแหละมีซอ บ, บ้านอบบีคนสวอ บ, บ้านอบีนะรุ่นนั้นนะรุ่นแรกๆน่ละ่ะ เขาเมย์เขามีผู้หญิงคนหนึ่งเรื่องธรรมดานี่แหละผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็รักกันชอบกันก่อนที่จะรับอิสลามแล้วก็ต่อมาผู้ชายคนนี้เนะี่ยมารับอิสลามคือซอบา้านอับดินเนะี่ยมารับอิสลามพอรับปั๊บนี่ก็ทิ้งหมดไอ้ของไม่ดีไม่ดีไม่ดีนะทิ้งหมดขนาดทิ้งแล้วนะวันนั้นมาก็มาเจอคู่คู่รักเก่ามาก็ละโมงเพลิน มองมองเดินชนกำแพงเลยมองหันหลังมองเดินชนกำแพงหัวแตกก็มาหาท่านนบีอัสูละล่าให้ฟังว่าฉันนี่นะเลิกแล้วนะกับผู้หญิงคนนี้นะแต่นนั้นมาเจอกันด้วยความบังเอิญฉันก็ยังนึกถึงเรื่องเก่าๆได้ก็นั่งมองนะมองแล้วก็หันหลังมองเดินชนกำแพงเลยอัลลอ วะฮีอัลลอฮฺมหานาบีก็บอกว่านั่นแหละเป็นการลงโทษไปในตัวเลยที่คุณมองผู้หญิงนั้นน่ะมันผิดตามหลักการอิ伊斯兰มันผิดอลัลลอฮฺก็ให้คุณเดินชนกำแพงเป็นการลดโทษไปในตัวและถ้าแต่วันนี้ไปนา ม, มาดคุณอย่าขาดเลยนะห้าเวลาเนี่ยอย่าขาดนั่นซอาบ้านนะบีแค่เดินชนกำแพงแค่มองผู้หญิงนะ่ะ อัลลอฮ์ทดสอบไม่เห็นนะอะไรหลายหอย่างและไอพวกเราเนี่ยมันหนักกว่านี้ใช่ไหมละ่ะไอที่หนักกว่าเนี่ยทำไงต้องตอบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ต้องคิดเยอะเลย <S <S เพราะฉะนั้นถ้าอ่านอลกรุรอานอาย่ น, นี้แล้วอ่านทุกวัน อ, นอ่านอ่านอ่านเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้รับรู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงเมตตาเราขนาดไายทําความผิดรีบลงโทษได้ไหม <S <S <S ได้แต่ทําไมอัลลอฮ์ไม่ลงโทษละ่ะ อุลมาเขาอธิบายไว้ที่ไม่รีบลงโทษต้องการจะให้เรียนศาสนาเข้าใจศาสนาแล้วก็แก้ไขแล้วก็ปรับปรุงแต่ถ้าหากว่าให้เวลาแล้วแต่ถ้าไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงก็เป็นการสะสมความชั่วของคุณเองแล้วอลัลลอฮฺก็จะเล่นงานตอนไหนตอนตายส่วนใหญ่จะเล่นตอนตายทั้งหมดต่อมาครับ วรบูกลลอฟูดแปลงใหม่พระผู้อภิบาลของมนะูฮัมหมัดน่ะมีอยู่ตรงนี้มีสามลักษณะนะข้อที่หนึ่งรุตรห์มะอัลลอฮ์ผู้ทรงอะไรผู้ทรงอาภัยข้อขอ้ขอที่หนึ่งอัลลอฟูดผู้ทรงอาภัยข้อที่สองรุรรอห์มะเป็นเจ้าแห่งความเมตตาข้อที่สาม ลาวยาขิดุฮ u บ uh um u มา i m ส k บูล b อั a a ล j a ลหุมุลอาดับอัลอถ้าพระองค์จะส่งลงโทษพวกเขาตามที่พวกเขาได้สะสมความชั่วไว้พระองค์ก็จะส่งเร่งการลงโทษได้ทันทีนี่คือคุณสิบัตของอัลลอ์อันหนึ่งเหมือนกันรีบลงโทษให้นะครับแต่อัลลอ์จะไม่รีบลงโทษแต่รีบลงโทษได้ไหมได้แต่อัลลอ์บอกฉันไม่ลงโทษ ข้อที่สีบัลลหูเ ม, มาไอเมาไอดุนแต่สำหรับพวกเขานั้นคือเมาไอแปลว่าเวลาที่กำหนดเอาไว้นนี่ไงสิทธิข้อที่สีนี้อัลลอฮประวิงเวลาเอาไว้ระยะหนึ่งนะครับจนกว่าเขาจะได้สำนึกตัวนี่ไงสิทธิขอ้อนี้ดีไหมดี อัลลอฮ์ส่งอะไรนะสรงประวิงเวลาเอาไว้แต่ท้านเราเองก็เหมือนกันเวลาใครทําอะไรไม่ถูกใจเรานึกถึงสิฟัตก้อนนี้อ๋ออัลลอฮ์ยังประวิงเวลาให้แล้วเราเนี่ยใครทําอะไรไม่ถูกใจเล่นเลยแปลว่าประวิงไปก่อนออปล่อยไปปล่อยไปอะไ อ, อ้ไว้ต่อ เ, เอาสิฟัตของอัลลอฮ์เนี่ยมาไว้ในตัวเราบ้างนะอืมบรรหุมเมา่อไหรแต่สําหรับพวกเขานั่นคือเวลาที่กําหนดเอาไว้ ทีนี้เมื่อถึงเวลาอาลัลลอฮ์จะเล่นงานนะไลยาจีดูมินดูนีมาอีลาเมื่อถึงเวลาอาลัลลอฮ์เล่นงานนะพวกเขาไม่พบที่พึ่งใดๆได้เลยเอา้าวตรงนี้ต้องการจะบอกว่าโตตะเกียก็ช่วยไม่ได้ โตะรยองก็ช่วยไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนโลกดุนยาใบนี้ช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยก็กุณอ่านตรงไหนอ่ะที่เข้าใจง่ายๆก็คือคุณหัวอัลลอฮหัวฮัดอัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดเอ๋ออัลลอฮ์มีองค์เดียวอัลลอฮุสซมัดฮุสซมัดนี่แปลว่าอะไรอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างดะนั้นอย่าไปพึ่งสิ่งอื่นพึ่งอะไร Allah อัลลอฮ์องเดียวอัลลอฮุสธมัดเห็นไหมเนี่ยถ้าเราเข้าใจสิทธิของอัลลอฮ์นี่นะสองสามข้อสี่ข้อเนี่ยไม่มีใครทาชีวิตเลิกกันหมดนะอัลลอฮุสธมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่องอ่ะได้ไปขอใครฉะนั้นเมื่อบาละเรื่องการลงโทษของอัลลอฮ์มาถึงเนี่ยไม่มีใครช่วยได้นะไม่มีใครช่วยได้นี่ไงสิทของอัลลอ์อาานี้ั้งกี่ข้อั้งหเนี่ย ข้อที่หนึ่งขอฟูรุนอัลลอฮ์ทรงอภัยอันที่สองซุลรฮมะเป็นเจ้าแห่งความเมตตาข้อที่สข้อที่สมถ้าจนลงโทษรีบลงโทษทันทีทันใดได้ไหมได้ข้อที่สอัลลอฮ์ Allah ประวินเวลาเอาไว้อัลลอฮ์ข้อที่หถ้าหากว่าถึงเวลาลงโทษแล้วนะใครมายับยั้งก็ไม่ได้นี่ยน้ำท่วมน้าท่วมนี่ใช่ทั้งหมดแหละ เครื่องบินตกนี่ก็ใช่ที่ประเทศลาวอ่ะตายเะาย่าไรสี่ศีลผลศพใช่ไหมตายเรียบหมดเลยอ่ะนันอาสาบทั้งหมดไหมสำนึกคิดกันบ้างหรือเปล่าถ้าคิดจะได้ประโยชน์เยอะเลยจะนั้นเราเนี่ยเราไม่ตายในเหตุการณ์นี้แต่เราได้ข้อเตือนใจยเยอะเลยจะนั่นก่อนขึ้นเครื่องบินดูอามมไหมต้องว่าเราต้องเตรียมพร้อมมาใช่ไหมนะ่ะ เป็นมุสลิมให้มันเตรียมพร้อมเวลาตะมุตุนะอิลลาวันตุมุสลิมมุนอย่าเพิ่งตายนะจนกว่าท่านทั้งหลายจะได้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์สะกฉอกนั้นตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์แล้วก็ขึ้นเค่องบินอ้าวถ้าตกก็ตกฉันตายเพื่ออัลลอฮ์ไอการเดินทางจะไปเพื่ออะไรน บ, บีเขสั่งถ้าเดินทางเนีย่ยเพื่ออันดารวะอิสลามอุลลอฮ์ตายในตราบ้าอะไรซาฮิดฟิซาบีลลัลสอนหมดอะนั้น เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้นะเป็นข้อเตือนใจสำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุภาพนุตลาที่ดีที่สุดนะครับเอาต่อมาครับตกลงว่าอายานี้มีกี่ประเด็นนะห้าประเด็นนะอาพูดมายหนึ่งอัลลอฮ์มีสิฟัตอะไรนะผู้ทรงอ ภ, ภัยสัตวที่สองยุรราะห์มะผู้พ้นเจ้าแห่งความเมตตาอันที่สาม ความชั่วที่สที่มนุษย์สะสมไว้เนี่ยถ้าอัลลอ์รีบลงโทษได้ไหมได้แต่อัลลอ์จะอะไรนะประวิงเวลาเอาไว้ประวิงน่ะดีไหมดีเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อให้เราได้เรียนาศาสนาแล้วกลับตัวอย่างนี้ดีัหยดีแต่ถ้าไม่เรียนาศาสนาไม่กลับตัวเป็นการสะสมความชั่วของตัวเองอยู่ในบัญชีนั่นละเต็มไปหมดเลยนะพอตายภาพอัพลลอฮู อาเหลือขอตั้งอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ถ้าถึงเวลาอัลลอฮ์ลงโทษไม่มีใครมาช่วยแก้ปัญหาคุณได้คุณก็ต้องอยูย่รอมรับสภาพต่ออัลลอฮ์ต่อไปนะต่อมาอายะห์ที่ห้าสิบเกวาติลกัลกุรออะลัดนาฮุมเมืองเหล่านี้ ติลกัลกูรอเมืองเหล่านี้เมืองอะไรเมืองเมืองเหล่านี้นักตัศนศิธอธิบายดีก็อบอกว่าเช่นอะไรบ้างพวกอาต์อ่าพวกอาต์พวกสมูทพวกสมูทเนี่ยพวกนี้มีอาชีพค้าขายแล้วก็โกงตะช่างกันหมดช่างเนื้อก็โกงช่างปลาก็โกงช่างผลไม้ก็โกง เขาบอกว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์เลยนะถ้าหากว่าไม่โกงไม่รวย <c oughs> อัลลอฮ์ก็ทรงนบีชวยมาเอาไปสอนอย่ากโกงตาช่างพวกนี้มันเป็นนักค้านักขายก่อนพวกเรา <c oughs> เขาอันเล็บเรื่องการค้าแล้วก็อันเล็โกงด้วยอัลลอฮ์ก็ทรงนบีชวยมาน่ยแล้วเชื่อไหมไม่เชื่อแล้วอัลลอฮ์เล่นงานเนี่ยจะนั้น ติลกัลรกุรรอเมืองเหล่านี้ที่อัลลอฮ์เอ่ยก็หนึ่งอะไร้กาวพวกพวกอาร์พวกสมูทแล้วก็พวกลูดที่ไหนเ ด, ดซี่ใครที่ไปทำพัดและแวะไปที่นะั่นนะแล้วไปเยี่ยมเยี่ยมเ ด, ดซีต้องนึกถึงประวัติคนเหล่านี้พวกคอมมเซ็กชวลผู้ชายกับผู้ชายเข้าหากันเองแล้วอัลลอฮ์ส่งนบีลูดมาสอนเห็นไหม เมตตาก่อนนะรอะมา ก, ก่อนนะส่งนบีลูดมาเลิกซะเลิกซะเลิกซะเลิกซะไม่เชื่อพอไม่เชื่ออัลลอฮ์ก็พลิกพลิกแผ่นดินพอพลิกแผ่นดินปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นประวัติศาสตร์เลยนะดังนั้นเป็นความชั่วที่เราจะต้องนึกตลอดเวลาตรงนี้เพราะความชั่วอันนี้ตรงนี้เพราะความชั่วอันนี้ตรงนี้เพราะความชั่วอันนี้ดัชนีบาติลกัลกูรออัลลอฮ์บอกให้เรานึกเมืองเหล่านี้ นะครับอหลกนาหุมเราได้ทําลายมันอหลกนาหุมเราได้ทําลายมันแล้วลัมมาโอลา ม, มูเมื่อพวกเขาเหล่านั้นอยุติธรรมอัลลอฮฺพี่น้องเหม็มตัวร้องว่าที่อลัลลอฮฺเนี่ยอลัลลอฮฺลงโทษเนี่ยไม่ใช่อลัลลอฮฺจะมันไม่ใช่ว่าอลัลลอฮฺทรมานคนไม่ใช่เพราะมนุษย์เนี่ย ทำตัวเองเตือนแล้วบอกแล้วอย่าทำนะเดี๋ยวอาสาบมันจะตามมามแต่พวกนี้รอลมู لم, พวกนี้อารรมต่อตัวของพวกเขาเองว่าจะอ่านและเราได้ทำเราเร า, เราได้กำหนดและเราได้กำหนดลิม่าลีกหิหิมเวลาสำหรับความเพรีาดมาอิสแปลว่า กำหนดเวลานะคือใครทำบาปก็ตามอัญาณตนสอนนะใครทำบาปเพราะว่าจะเป็นส่วนบุคคลส่วนครอบครัวส่วนตำบลส่วนหมู่บ้านส่วนจังหวัดส่วนประเทศที่รวมกันทำความชั่วนี่นะอลัลลอฮ์จะมีกำหนดเวลาการลงโทษที่แน่นอนอยู่แล้ว แล้วก็คนที่ทำความดีก็เหมือนกันส่วนบุคคลส่วนครอบครัวส่วนอาเภอส่วนจังหวัดส่วนประเทศที่ทำความดีนะอลัลลอ์ก็มีรางวัลตอบแทนมอบให้อยู่แล้วแต่เราไม่รู้บาปก็เหมือนกันที่ทำไว้อลัลลอ์เล่นงานหมดใช่ไมนอกจากคนที่เตาบ้าตัวต่ออลัลลอ์เท่านั้นโอ้แต่เตาบ้านอ่ะดีไหม อ, อัลลอฮ์เตาบ้านในเรื่องดีมากเลยเรื่องประเสริฐมากฉะนั้น การกลับเมื่อกับตัวอัลลอฮฺเป็นเรื่องดีทีนี้อัลลอฮฺเล่าตรงนี้คนเหล่านี้ไม่กลับตัวนะพวกรูดกลับตัวไหมไม่กลับตัวพวกชอยฟกลับตัวไหมไม่กลับตัวพวกอาร์ตกลับตัวไหมไม่กลับตัวนบีนวะสอนสนากปีเก้าร้อห้าสิบปีกลับตัวไหมไม่กลับตัวแล้วเป็นไงอัลลอฮฺล้างโดยการจมน้าให็นไหมที่เราอ่านคุรานมาเนี่ย นี่ไงวัติลกาลโกรอเมืองเหลา่านี้อัลลักหน้าหุมเราได้ทําลายพวกเขาเหล่านั้นลา ม, มาโซลาโมเมื่อพวกเขาอยุติธรรมซ้อเล็มเนี่ยศัพท์ว่าร้อเล็มเนี่เป็นศัพท์ที่เลวที่สุดแหละคนอธรรมคนมุสริมคนฟาซิกคนที่ปฏิเสธพูดได้หมดเลย ดังคนที่ร่อเหลี่ยมจะเป็นไงครับเมื่อเขาได้อารรมกับตัวของพวกเขาเองว่าจะอาณาลิมาลีกีหิมเมาออดาและเราจะกำหนดเวลาสําหรับความพินาศของพวกเขาไว้แล้วถ้าไม่ถูกบนดุนยาก็ถูกหลังตายถ้าไม่ถูกบนดุนยาก็ถูกหลังตายถูกบนดุนยาเนี่ยคนจะได้เห็นถ้าถูกหลังตายเนี่ย ไอเรามันมองไม่เห็นใช่ไหมลนะ่ะแต่ได้กว่าตัวเองหมดแต่ว่าก่อนตายมันดีอย่างเห็นกันเยอะเนี่ยโอ้โหทีนี้อย่าลืมนะใครที่ถูกลงโทษอย่างย่งย่งสมัยนบีมูซาเนี่ยคนที่ถูกลงโทษต่อนหน้านาบีมูซาเนี่ยคนนี้เป็นคนที่อัลลอฮ์เกลียดมากที่สุดแต่ถ้าหากว่านาบีไม่เห็นโ อ, อ้นบีตายไปแล้วถูกลงโทษเนี่ยอลัลลอฮ์ยังเมตตาทนะ่านนาบียังยืนมองอยู่นะ แลก็ถูกลงโทษ ต, ต่อหน้านาบีนะแสะดงว่าคนคนนี้เป็นคนดับเบิ้ลเลวเลยแหละ อ, ะอย่างฟาโรใช่ไหมตายต่อหน้าใครต่อหน้านาบีมูซาเลยเห็นไหมไม่ใช่ตายคนเดียวนะตายเป็นล้านทหารเท่าไหร่รหรอัลลอฮ์ไม่จะสดายหรอกกอรูณอัลลอฮ์ให้แผ่นดินสูบสูปกอรูณ ส, สูบซับสมบัติของกอรูนทั้งหมดลงไปในดินน่ะสดายป่ะก็อัลลอฮฺตีราคาโลก ด, ดุนยาไปนี่เท่ากับอะไรนี่อัตีราคาเท่ากับปีกยุ่งถ้าเราอ่านนัดดิษอัลลอฮฺอะกบฟาจะได้ความรู้หัวสมองโปร่งอัลลอฮฺเห็นอะไรดุนยาเนี่ยก็ใจดุนยาเลยนะแต่ถ้าไม่เรียนาศาสนาอย่างเดียวนะหลงดุนยาหมดเลยเอาต่อมาครับ อายาที่6กว่าอิกกอสโลามซาลิฟาตเอิว่าจงดำลึกถึงคำว่าอิสคาเดียวแปลว่าจงดำลึกถึงไม่ยควรามว่าเราเนี่ยต้องอา่านประวัติศาสตร์เยอะๆจงดำลึกถึงเมื่ออะไรก็ลาโมซาเมืม่อนบีโมซา นี่อัลลอฮ์เล่าเรื่องของนบีมูซาให้นบีมุฮัมมัดฟังต้องการจะสอนนบีมุฮัมมัดวันนี้นบีไม่มีแล้วสอนใครสอนพวกเราที่อ่านกุงอ่านอาย่า น, นี้คืออยาย่านี้เป็นเป็นอย่างนี้ก่อนที่อัลลอฮ์จะประทานอยาย่านี้ลงมาเนี่ยมีเรื่องเป็นอย่างงี้นบีมูซาเนี่ยขึ้นสอนศาสนาต่อหน้าพวกบันีอิสลอลีมานั่งกันเต้นเป็นร้อยเป็นพันนี่แหละ นบีมูซาก็ส อ, ส, อสอนสอนสอนสอนสอนแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งในกลุ่มถามว่านบีมูซาครับคนที่อาเลมที่สุดใครคนที่ว่ามีความรู้มากที่สุดน่ะใครนบีมูซาก็บอกว่าฉันภาษาตรงนี้น่ะอัลลอฮ์ไม่พอใจที่นบีมูซาตอบว่าฉัน อัลลอฮ์ไม่พอใจเลยภาษาที่ตอ่อแงนี้ไม่เหมาะท่านมันเดียวต้องตรงโยมว่าอัลลอฮ์ถูกใช่ไหมนะอัลลอฮ์รู้ที่สุดแต่ดีโบบมซาพรลาดตรงนี้พอพลาดปับ๊บอัลลอฮ์ต้องการจะสอนนดีมูซาบอกไม่ใช่คุณยังมีคนอีกคนหนึ่งอยู่ในกลุ่มพวกคุณนั่นแหละก็มีความรู้มากกว่าคุณต้องเดินทางไปหาคนคนนั้นถึงจะพบ ฉะนั้นอายาานี้ต้องการจะบอกว่าการเดินทางไปหาความรู้การออกจากบ้านไปหาความรู้เป็นอะไรนะเป็นความดีเป็นความประเสริฐแล้วก็นบีเนี่ยนบีมูซาเนี่ยนะก็เดินทางไปหาความรู้เพราะท่านทำผิดข้อเดียวผิดข้อเดียวเพราเราเล่นงานนะิดดูสแค่พูดนะถูกว่างไงนะ ฉันให้อเลมอโลอากระบะพูดแค่นี้เนี่ยเนี่ยอโลบอกแก้ไขซะเนี่ยเราได้ข้อความความรู้จากตรงนี้เยอะมากเลยนะใช้คำห้ามตะกรบุศเลยอ่ะรวมไปเถึงคนมีเงิน I am very rich อ๋อฉันรวยที่สุด richest in my in my in my country อะไรเงี้ยใครที่คุยตะกรบุศนะอัเราเล่นงานหมดอ่ะ เพราะฉะนั้นใครรวยต้องแสดงความรวยด้วยการบริจาคอย่าคุยว่าฉันอ l ล m เพระฉะนั้นใครที่อ l e มต้องนอบนอ้อมถ่อมตนต่ออัลลอ์ต้องให้ความรู้กับประชาชนตลอดเวลาต้องยอมที่จะนึกถึงสุนนะของนบีเนี่ยเอามากำกับชีวิตตัวเองเพราะอัลลอฮ์ให้ความรู้กับท่านไม่ใช่ไปโอ้โหแต่จจคุยฉันเก่งฉันอ l e ม อย่าอ ย, ย, ย, ย่อาทีนี้ในคัมภีร์เตาร้อนนี่นะไม่ได้พูดว่านาบีมูซาเนี่ยเดินทางเล ย, เลยแต่ในคัมภีร์คุรานอธิบายทับซีดภาษาอูรดูแตทับซีดมาจีนี่อธิบายว่าแสดงว่าคัมภีร์เตาร้อนเนี่ยนาฟิสไม่สมบูรณ์เรื่องของนบีมูซาเนี่ยไม่ได้พูดว่าเดินทางเพื่อหาความรู้ไม่ได้พูด แต่คำพีกลุ่อ่านนี่พูดไว้ว่านาบีมูซานี่ออกเดินทางเพื่อหาความรู้ฉะนั้นการศึกษาหาความรู้จึงเป็นสุนนะของพวกเราทุกคนวันนี้ทีนี้การแสวงหาความรู้ต้องต้องเดินทางไหมต้องเดินทางอ้าวอัดดูดูดูต่อไปว่าอิกอโคมูซาลีฟตาตเมื่อนบีมูซาได้กล่าวกับใครนะ กับฟาตาฟาตาแปลว่าคนหนุ่มฟาตาแปว่าคนหนุ่มิธยาแปลว่าคนหนุ่มลิฟาตาฮูนาคนหนุ่มของเขาหมายถึงคนชายหนุ่มของเขาชื่ออะไรในตับเซตอธิบายว่าชื่อยูชาบินนูนชื่อยูชาอ่ายูชาบินนูนคนนี้แหละต่อมาได้รับตําแหน่งให้เผยแพร่ศาสนา หลังจากน บ, บีมูซาอะลัยฮิสสลามน บ, บีมูซาเดินหาเดินหาคนคนหนึ่งพี่น้องชื่ออะไรนัตัดิว่าชื่อน บ, บีขิดินาน บ, บีขิดิแต่ไปคนสองค น, นไปคนสองคนไปกับใครนะลิฟาตาหูคนหนุ่มของเขาชื่อยูชบินนูน ไปหาอะไรพี่น้องไปหาความรู้เพราะท่านอับดุลโาพูดพลาดไปนิดนึงอัลลอฮฺ อ, อลัลลอฮ์เล่นงานแล้วเราเนี่ยอลัลลอฮ์จะไม่เล่นงานหลืนี่คือประวิงเวลาไว้ไม่เล่นงานตอนเนี้เราต้องสํานึกตัวนะ เ, เราเนี่ยพูดพูดนี่แค่พูดผิดเนี่ยอลัลลอฮ์ยังเล่นงานอ่ะแต่ถ้าคิดผิดละเท่าไหระ่ะคิดผิดพูดผิดเชื่อผิดทําผิด อ, อ, อัลลอฮฺอัลลอฮ ต่อมาแว่อิสอกรละมูซาลิฟตาและจงรำลึกถึงเมื่อมูซากล่าวแก่คนชายหนุ่มของเขาว่าลาอบบารห์ฉันจะไม่หยุดยั้งฉันลาอบรารอฉันจะไม่หยุดฉันจะเดินทางไปเรื่อยๆอ่าฉันจะเดินทางไปเรื่อยๆฮัตตา จนกว่าฉันจะไปถึงอับละก็ฉันจะไปถึงมัจมาอัลบารอยแปลว่าชุมทางแห่งสองทะเลบารุนแปลว่าทะเลเดียวบหรอยนี้สองทะเลเป็นโทพน์บหรอยนี่สองทะเลตกลงว่าอัลลอบอก ถ้าคุณต้องการจะหาความรู้เพิ่มเติมคุณต้องไปที่มัจมิอัลบหรอยนี้ชุมทางแห่งสองทะเลตรงนั้นคุณจะพบกับคนที่มีความรู้มากกว่าท่านอัลลอ์บอกอัลลอฮ์ข้กบัแล้วก็นบีมุซาก็เดินเนี่ยเดินไปตามทางที่อัลลอ์ได้เล่าไว้ใน บอ ก, กบว่าให้ลงมาให้กับนบีมูซาอะลัยซ์ลาบเรื่องนี้มันเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังดังนั้นเราอา่านคุรานตรงนี้เราจะรับข้อรู้ความรู้ว่าการสแสวงหาความรู้เป็นเรื่องดีไหมดีการเดินทางหาความรู้ดีไหมดีหามัสยิดเดียวนะอจากอิมามบุคารีเนี่ยอัลลอฮฺอักบะดอิมามบุคารีไม่ใช่คนอาหรับนะคนชาติไหนรัสเซีย เมืองบุครียังบุคลรอยังอยู่ในวันนี้ยมีเมานาอบุลหัสซันส่งลูกน้องในอินเดียไปเที่ยวเมืองเมืองบุคลรอย์เพรากฏว่าลูกหลายคนออมาบุครีย์วันนี้ลืมศาสนาไปเยอะแล้วเพราะอิมามบุครียเป็นอาเลมอุ ล, ล, ล, ลมาแต่หลังๆจากนั้นเนี่ยทางรัสเซียเขากดขี่พยายามกดขี่จะให้ทิ้งอิสลามนะ เขาก็ทำได้ไม่สำเร็จหรอกแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก า, กาวัลกอริมะชาดะได้อย่างเดียวอย่างอื่นทำอะไรไม่เป็น <S <S เขาทำเกือบสำเร็จนะแต่ไม่สำเร็จอล่อยอย่างเมตตาอยู่นะครับด้านอิมามบุคารอเป็นคนดีนะแต่ลูกหลานของเขาวันนี้ฉันไมลรอดหรอกต้นศาสนาเริ่มเริ่มมาแล้วเ ร, เริ่มเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มกลับมาแล้วนะเาพี่น้องต่อมาครับ ว่าไงนะว่าอิสโกเลมูซาลิฟตาต์และเมื่อมูซาจงรำลึกถึงเมื่อมูซาก่าวกับคนชายหนุ่มของเขาชื่อยูชบินนูนพูดว่าไงลาอับบาโหูฉันจะไม่หยุดยั้งในการเดินทางฮัตตาอับลาบอจนกว่าฉันจะเดินทางมาถึง มัจมาอัลบหรอีนีทุ่มทางแห่งสองทะเลเอ้าอัมบอเอ้าอัมเบียฮุกบุนมิฉะนั้นฉันจะเดินทางต่อไปฮุกบุญแปลว่าหลายหลายปีฮุกบุญเนีว่าแปดสิบปีบเจ็ดสิบปีถึงแปดสิบปีเรียกว่าฮกบุญฮกบาฮุกบุน แปลว่าเจ็ดสิบปีหรือแปดสิปีสับเดิมภาษาอังกฉะนั้นถ้าหากว่าถ้าหากฉันไม่พบมัจมาอัลบารอยนี่ฉันก็จะเดินทางต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดจนกว่าจะตายนั่นแหละแสดงว่าการหาสแสวงหาวิชาความรู้มีวันหมดอายุไหมไม่มีวันหมดอายุต้องต้องการจะบอกว่า หาไปเรื่อยๆเจ็ดสิบปีแปดสิบปีถ้าอายุเราใช่ไหม <c oughs> เรียนถึงแปดสิบปีมันจกระแกแล้วอันไม่ไหวแสดงให้เห็นว่าการแสวงหาวิชาความรู้นั้นไม่มีวันหมดอายุถึงนบีพูดว่าไงนะจงเรียนตั้งแต่เปลจนถึงหลุมฝังศพนี่ ห, ห้ามจะดีแล้วายานี้เตือนเอาต่อมาครับ อุลามะอธิบายอย่างนี้เมื่อนาบีมูซาเดินทางเพื่อไปหาความรู้เพื่อไปพบกับอาเลียมอุลามะอีกคนหนึ่งความจริงนี่นะมีอุลามะเขาแย้งนล่นหนึ่งก็ว่าถ้าจะนั่งขอดุดาอัลลอฮ์ครับช่วยแจ้งให้ฉันรู้หน่อยว่าคนนั้นนะคือใครนะขอได้ไั้มได้แต่อัลลอ์ให้ใครเดินทาง ไปเดินทางหาหาความรู้จะจะพบคนคนนู้นคนริงนั้นอ่านี่ง่ายนี่แหละต้องการจะบอกให้รู้นนบบใช่ในง่ายต้องการจะบอกให้รู้ว่าการสแสวงหาความรู้นั้นเป็นซุนนะตุลอัมบียาเป็นซุนนะของบรรดาอับดุเราเองวันนี้มันกันอยู่เฉยเฉยไม่ได้ต้องสแสวงหาความรู้คนที่นั้ขอดูอาได้ไมยนอัลลอฮฺประทานความรู้ว่าฉันหน่อยอัลลอฮฺไม่ให้เรากับนอกพวกเราอัลลอฮฺไม่ให้อยู่แล้ว ให้เฉพาะคนที่เป็นนบีเท่านั้นอ่าอย่างนาบีมุฮัมมัดเนี่ยร้องให้ความรู้เลยตรงปุ๊บลงมาออืทุกวันทุกวันทุกวั น, วนผ่านจิบรีนทุกวันแต่เราเนี่ยต้องขับรถมาเนี่ยมานั่งถิ่มัสยิดเนี่ยตระตูตั้งแต่ตีสี่นะมาตะฮัดยุดแล้วก็มาต้อ ง, องสแสวงหาต้องเหน็ดเหนื่อยนี่ไงารางวัลมันอยู่ตรงนี้อ่าเราต้องอะไรนะบังคับอารมณ์ควบคุมอารมณ์อโห๋อาบบ า, บาต้องกํา กำหนดเวลากับตัวเองหวังรางวัลตอบแทนจาก Allah าอัลลอฮฺสุลตานะฮูบะตาเลาะให้อัลลอได้ว่าให้ความรู้มาให้ท่านยอมเดินทางเพื่อไปพบกับอุลามะแทนที่จะขอุดูอาต่ออัลลอตัวโตใ่ อ, อัลลอฮฺจะยอมเดินทางนี่ไงนบีทำเป็นแบบให้ดีเป็นแบบให้เห็นกับพวกเราในยุคยุคยุคดึงนี้ทีนี้ นบีถามอัลลอฮ์ว่าจะพบกับอาลิมอุลมามะได้ที่ไหนอัลลอฮ์ตอบว่าต้องเดินทางไปที่ม ma ัชมาอัลบาฮรอยนี่ชุมทางแห่งสองทะเลแล้วก็จงนำปลาในาษารูปมัชชารีใ ห, ให้นำมัชชารีไปด้วยตอนที่คุณเดินทางไปหาอาลิมอุลมามะที่ม ma ัชมาอัลบาฮรอยนี่ที่อัลลอฮ์กำหนดที่เอาไว้เนี่ยนะ ก่อนเดินทางให้พาเสบียงอาหารไปด้วยเป็นปลาก็ไปก็สองคนน่ะถือปลาไปด้วยถือมัชชารีไปด้วยใส่อะไรนะใส่ใส่ใส่บินโต้อะนะถือกันไปพอไปถึงที่มัชมาอัลบาฮรอยนี่นะเดินทากมาสองคนมันจะขี่วันะมันจะขี่ลานะเดินท้ากันไปนี่แหละพอไปถึงมัชมาอัลบาฮรอยนี่นะ่ะ สองคนนี่ก็เพลียแล้วก็นอนปลาที่เขาพาไปเนี่ยมันฟื้นพอฟื้นกันดิ้นหาทางลมทะเลใช่ไหมแล้วก็กเด็กหนุ่มที่ถืออาหารไปเนี่ยลืมบอกนบีมูซาลืมบอกนบีมูซา พอตื่นขึ้นมาก็เดินทางต่อไปอีวันกับคืนหนึ่งพอไปเสร็จแล้วก็นบีมูซาหิวแล้วก็เหนื่อยบ่นว่าเหนื่อยแล้วก็หิวเสร็จแล้วก็เอาอาหารออกมาสิเด็กหนุ่มบอกว่าเฮ อ, อฉันลืมบอกปลาที่เราพามาเป็นอาหารน่ะมันฟื้นแล้วก็มันวิ่งดิ้นลงทะเลไปแล้ว ละกันบีมุซาบอกที่ตรงนั้นแหละที่อัลลอฮ์บอกฉันว่าจะมีอุลมามะอยู่ตรงนั้นต้องเดินย้อนกลับมาอีกกูอานอธิบายว่อาอุลามะก็อธิบายดีอธิบายว่าไงนะคนที่ตะวักันต่ออัลลอฮ์จะเดินทางไปไหนมาไหนต้องมีเสบียแงแะ่ท่านคําว่าตะวักันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไปหาข้างหน้าไม่ใช่ พาไปให้มันเรียบร้อยพอได้เวลาหิวก็มีอาหารกินนี่แหละก็เรียกวัตวัตการบิสมบูรณ์อันที่สองต้องการจะอธิบายว่าเวลาเราเหนื่อยเนี่ยเราเอามาคุยวันหลังได้ไั้มได้ไม่ผิดสุนนะของท่า น, นาพอดานบีมุซาพูดว่าท่านเหนื่อยอ่ะดูะอัุซารต่อไป فلما ب ل غ َ ا مجمع بينهما نسيا حوتهما فتخذ سبيل َ ه, ه في البحر س َ ر ب ا فلما ب ل غ َ ا ดังนั้นเมื่อทั้งสองสองคนนบีมูซากับใครนะยูชบินูน เป็นเด็กหนุ่มเป็นคนช้นะรับใช้ท่านนับีโมซาฟล ม, มาบาลอเมื่อทั้งสองคนเนี่ยเดินทางมาถึงมั จ, จมาอชุมทางแห่งทั้งสองทะเลใบนีฮีมานาสิยานาสิยานาสิยแปลว่าลืมทั้งสองคนเนี่ยลืมหูตาฮูมาลืมปลา ของเขาทั้งสองลืมปลาลืมกินปลาว่าง่ายๆแล้วก็ฟัตตอดาซาบีลูฟิลบ์ริซรบดังนั้นตัวปลาจึงหาทางลงทะเลอย่างว่องไวปลาแช่แข็งว่าง่ายๆที่ใส่บินโตมาเนี่ยมันฟื้น แล้วก็ดิ้นดิ้นดินลงทะเลไปเลยเนี่ยอัลลอ์เล่าใ น, นอัลกุรอานเรื่องปลาได้ข้อคิดเยอะรั่นปลาเนี่ยแช่แข็งได้ไหมได้โอ้ยอุอลามาอธิบายไปเต็มเลยปลาเนี่ยปลาที่เราแช่แข็งแช่งเอาไว้เนี่ยพอไ ป, ปถึงเวลากำหนดไว้ฟื้น่ะมีไหมมีนี่ไงคุรอานอธิบายอย่างง น, นั่นทำอะไ ร, ะรก็ได้ว่าทำให้มันสลบไปได้ไมได้ แช่แข็งเอาไว้ได้ไหมได้โอเปค ำ, คำเป็นคำอธิบายของอลุลามะที่นักวิทยาศาสตร์วันนี้เอาคุ่อนอุ ญ, ญาตนี้เอาไปใช้ปลาแช่แข็งว่าอะไรบ้างแล้วก็ไม่ตายพอไปไปลายทางใส่น้ำดิ้นมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ได้จากอน ญ, ญานี้ทั้งหมดอ่นตัวนี้ปลามีชีวิตดิ้นหาทางลงทะเล นี่แหละคือการบอกเส้นทางของการเดินทางให้กับนบีมูซาและเด็กหนุ่มชื่อยูชาบินนูนพอการจะบอกสถานที่ตรงนั้นแหละคุณจะพบกับอุลลามะท่านยูชาบินนูนเห็นปลามีชีวิตละดิ้นหาทางลงทะเลลงทะเลจนกระทั่งบุญญายูชาบินนูเนี่ยกับนบีมูซาเนี่ย นายูช่าเนี่ยลืมเล่าให้นบีมูซาฟังเป็นคนดูแลอาหารพอปลาดิ้นลงทะเลน่ลืมเล่าให้นบีมูซาฟังจงกระท่านได้นอนพักผ่อนแล้วก็เดินทางต่อไปอีกเดินทางไปอีกหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเมื่อเช้าวันที่สองนบีมูซาเหนื่อยมากและรู้สึกตัวเองว่าหิว ท่านนบีมูซาเหนื่อยมากแล้วและรู้สึกตัวเองว่าหิวท่านนบีมูซ่าได้พูดกับเด็กหนุ่มว่าจงนําเอาอาหารอาหารเช้าเนี่ยมาทานอยู่ชะบินนูนกล่าวว่าปลาที่นํามาเป็นอาหารขณะที่เรานอนพักพ่อนอยู่ที่หินน่ะปลามันกลับฟื้นมีชีวิตหาทางวิ่งลงทะเลไปแล้วฉันลืมเล่าให้นบีมูซาฟังท่านนบีมูซ่าแจ้งว่า ที่ที่ปลาฟื้นมีชีวิตและดิ้นหาทางลงทะเลไปแล้วนั้นที่ตรงนั้นแหละที่เราต้องการเดินทางไปแล้ววันกับคืนนึงต้องเดินทางกลับตามรอยเท้าอ่อัลลอฮฺอักุบัด์นี่ไเห็นว่านบีเละบากรนาหนอัลลอฮฺอักบะดที่ตรงนั้นแหละที่ปลาดิ้นหาทางลงทะเลทั้งสองต้องเดินทางกลับ โดยการเดินทางตามรอยเท้าของทั้งสองและเดินจนกระทั่งมาถึงมาจมาอัลบาฮรอยนี้ชุมทางแห่งสองทะเลอายะสุดท้ายครับฟัล ม, มาญาวาซกลลิฟาตคันเมื่อทั้งสองญาวาซาเดินทางต่อไปอีก เดินทางต่อไปอีกตสอปิตอธิบายกับอีกวันกับคืนนะึงนะกอลดาลิฟราต้าหูเขามูซาได้กล่าวแก่คนใช้หนุ่มของเขาว่าอาตินารอดาอานารอดานี่แปลว่าอาหารเช้านะอ่าจงนำเอาอาหารเช้าของเราออกมาซิแล้วก็เดา อิอาตินาอดาอันจงนำเอาอาหารอาหารเช้าออกมา la แล้วก็ดัลกิยนาแท้จริงเราเนี่ยพบกับมินซาฟารินาจากการเดินทางของเราฮาดาการเดินทางครั้งนี้นาสอบาแปลว่าความความเหนื่อยหรือว่าเพลียนี่แสดงว่านาบีมูซาบนใช่ไหมอ่า อาย่านี้ต้องการจะอธิบายว่าถ้าเราจะมาเล่าเรื่องการเดินทางของเราเนี่ยว่าลําบากสบายยังไงอธิบายได้ไหมได้พูดได้ขจวันยาอิสอนุญาตให้พูดได้อา่าไปทำพัดไปเจอลําบากลําบากโหดๆกลับมามาเล่าให้พี่น้องฟังได้ไหมได้อิสตัดเดลละอะลาอิบะฮะติอิซฮะดมิสลฮะดะลกาว อันดมามะจะพักคน l ินสันนั่งบุ n a و ت ع ب ุนในเส้น i างจากเมืองหน i ่งไปอีกเมืองนอนุญาตให้เราเล่าเรื่องลำบากลำบากหรือเรื่องเน่ยเนื่อยในการเดินทางจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งเนี่ยได้ไหมได้ไม่ใช่เป็นฮรรมไม่ใช่เป็นมักมักรุอธิบายได้เลยแต่ต้องเนียดดีนะ บางคนเนี่ยกูแข็งกูเก่งกูเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เล่าได้เรื่องลบากลำบากเพราะเอากรอ่ญญานอัจยะนี้มาอธิบายท่านนาบีมูซาเนี่ยเดินหาคนค น, คนอาเลมเห็นยังเดินหาอาเลมบุลละมาเนี่ยโ อ, โอ๋อท่านถ้าเราจะเดินหาความรู้อยอมโทราศัพท์เสียสตางค์ไปต่างประเทศไปหาเพื่อนได้มาได้ได มางทีจะรู้มัสอลาหนึ่งอ่ะฮอลล์ต้องไปเขียนจศหมายไปหาใครตะใครอีกหลายคนในต่างประเทศกวคอยรับคําตอบเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็ต้องอดทนอะคือพวกที่ต้องเดินทางไปไปพบกับคนคนหนึ่งผู้จะไปศึกษาความรู้มัสอลัลลาห์หนึ่งต้องเดินทางเนี่ยทั้งหมดเป็นของดีทั้งหมดและนบีพูดว่าไงนะใครที่ออกเดินทางเพื่อไปแสวงหาวิชาความรู้ถ้าเขาตายในระหว่างทาง เขาได้ไรชีัยชนะท่านต้องเนียดดีเนียดสะอาดอระทับอยู่เลยหรนั่นใช่ไหมขอบคุณอลัลลอฮ์นะอาญาเดียวอลัลลอฮ์สอนกี่เรื่องสอนหลายเรื่องนะอาญาเดียวนะสอนหลายเรื่องอ่ะหนึ่งเลหล่าดุนความลําบากได้ไหมได้สองบ่นได้ไหมได้อันที่สามคนเดินทางต้องหิวไหมหิวคนเดินทางต้องพาอาหารมาจะตะัตวากันมอกข้างหน้า พาไปดีกว่าถ้ามันดินลงทะเลก็อีกเรื่องหนึง่งทั้งหมดเหล่านี้เป็นข้อเตือนใจสำหรับพวกเราทั้งหมดก็ขอดุอาต่ออัลลอ์นะครับชีวิตของนบีมูซาของนบีทุกคนไม่มีใครสบายลำบากหมดเลยเราีสบายนะอลัลลอ์มีทีวีนอนอยู่ในมุ้งโลอักบัดกูจะดูละครดูศาสนาเท่านั้นเองบิดไม่ก็ถ้าดูละครดีกว่า ความรู้มาถึงในบ้านน่ะเนี่ยถ้าหากไม่เอาศาสนาเอาว่าเล่นงานหนักเพมีอยู่สบายอ่ะรอพระคุกินอาหารไปดูไปก็ได้ความรู้ใช่ไหมไม่เหมือนกับคนรุ่นก่อนเหนื่อยรอพระคุณยังนี่เป็นต้นเอาแล้วครับกูอ่านวันนี้กีอายะนะห้าอายะนะครับห้าอายะนะครับ นี่ผมอ่านจากคราสสิหลายเล่มนะเนี่ยถือว่าให้บนได้เนี่ยเป็นจ้ซอสพระอิมามจ้ซอสอธิบายว่าอนุญาตให้เราเนี่ยบนซือมาเล่าให้ญาติพี่น้องให้ภรรยาฟังที่บ้านได้ไหมได้เหล่าด่ามีปัญหานะครับ งี้พูดกันถูกกุอ่นานอธิบายอย่างงี้มารยลบาฮ์ยนยลตะกียบนูมาบาซุลลายบรยานสองทะเลมาบรรจบกันน้าเค็มกับ น, น, ำนำ้าน้าจืดเนี่ยตรงกลางขงมันมีบาซบาซักมาถึงที่ขั้นกลางเนี่ยดุนยากับอาคิรเนี่ยมันมีบาซักขั้นกลางอยู่อัลลอ์อัลล์เล่าเลย ทะเลก็มีบัรักขั้นกลางอยู่ระหว่างทะเลน้ำจืดกับทะเลน้ำเค็มไม่ให้มันปนกันแล้วก็ใต้ตรงนั้นนะกอธิบายอีกไขมุกเต็มไปหมดเลยระหว่างน้ำเค็มกับน้ำเกือน้ำจืดโอตารางให้บริกัรร่ำรวยกันมาเป็นมหาเศรษฐีตรงนี้ด้วยริสกีของอนะัลลอ์น่ะกี่มากน้อยแล้วและมีกี่คนที่จำลึกถึงอัลล์สุบฮานาหวา n a a p Subhanaka l l a h u m m a wa bihamdi k a s h u a l a i l a h a illa Anta Astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.